สังคาพิคตินามยังสังคาพิคติงกโรมเซสัทธามโชสุปฏิปปติคุณาพิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นตน้น โยธาพิโทรอริยบุคคลสังคเสตโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลธรรมภาพวารายกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันเบาร วันธามมังตรมริยานคขนงังสุดทางข้าพระเจ้าไหวหมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธ์ด้วยดีสร้างคโคโยสพัพ ป, ปานีนางสรารนางเขมมุตตมังพระสงหมู่ใดเป็นสารนาอันกเกษมสูงสุด ของสัทธ์ทั้งหลายตาติยานุสติธานางวันธามิตังสิเรนหงังข้าพระเจ้าว่ายพระสมหมู น, นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระรึกองค์ที่สามด้วยเสียนก้าวสร้งางคาสาหัสสมิธาโซวะสังโคเมซามิกิสรโร ข้าพระเจ้าเป็นทาตของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าสร้างโคทุกขสคาตาจาวิทาตาจายตาสเสมพระสงฆ์เป็นเครื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสร้างคาสังาสามิยเทมิสริรันชีวิทันชิตัง ข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริษามิสังคาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาะทิเมสรานังอันยังสังโคมเมสรานังวรงัง สารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงค์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนัสัจวัฒเชนวัยไยังสาธุศาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา สังขังเมวันธมาเนนนยังปุญญยังประสุตังอิทาัาข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตาสตเตชสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเจตาสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมังปกตังไม่ยายังกรรมนาฏอิเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงค์ สร้างโคปฏิคันหัตุอัจฉยันตังขอพระสงค์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนานกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวางในพระสงฆ์ในการต่อไป